ทรมานมากเพิ่งถูกแฟนบอกเลิกบทความโดยดังตรินจัดทำโดยวานิดาชูสังเรากำลังทรมานมากแฟนเราเพิ่งบอกเลิกด้วยเหตุผลระหว่างเราที่ไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้เนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบยากที่จะถูกยอมรับเราเ้าใจเหตุผลดีแต่การมีเขาอยู่ทำให้เราอุ่นใจมากกว่าอยู่คนเดียว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 อย่าคิดว่าเราเป็นฝ่ายทรมานให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายเลือกทำความสุขให้แก่เขาอย่าคิดว่าเราควรเหนี่ยวรั้งเขาไว้ให้คิดว่าเราควรเป็นฝ่ายให้อิสระเป็นทานแก่คนอื่นถ้าเปลี่ยนมนโนกรรมคือกรรมทางความคิดจากมืดเป็นสว่างได้ชีวิตก็จะสว่างเองครับ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 จะตัดใจจากคนรักเก่าได้อย่างไรจะตัดใจจากคนรักเก่าได้อย่างไรพยายามทุกวิถีทางแล้วทั้งอ่านหนังสือทั้งสวดมนต์ทั้งทำใจคิดต่างๆนานาพอใช้อุบายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เหมือนจะได้ผลบ้างแต่พอเวลาผ่านไปใจก็วกกลับมาที่เก่าอีกกลุ้มใจมากเหมือนจะไม่สามารถตัดได้ขาดอย่างแน่นอนตลอดไป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 ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีหมาแมวจรจัดเข้ามาในบ้านซึ่งพบได้เป็นปกติทั่วทุกหัวระแหงคุณเหลือเศษอาหารเช้าหรือเศษอาหารเย็นที่จะทิ้งอยู่แล้วก็แค่เอาใส่จานให้พวกมันหมายเหตุผู้อ่านสำหรับข้อนี้การจะให้อาหารหมาแมวก็ต้องดูด้วยนะครับระวังอย่าให้มีกระดูกหรือมีก้างปนไปรวมถึงอาหารที่มีเครื่องปรุงนั้นเป็นอันตรายต่อหมาแมวอย่างมากนะครับ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 ยังไม่ต้องหวังว่าจะทำได้อย่างดีในระยะเริ่มตน้นแต่คุณจะพบว่าหากมันฝึกสละของเล็กๆน้อยๆ้อยฝึกสละความถือโกรธผูกใจเจ็บฝึกกระทั่งเจียดเงินส่วนเกินของไรายได้เพื่อทำบุญทั้งกับคนอนาถาซึ่งอยู่ต่ำกว่าเรื่อยไปจนถึงพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีศีลสัตว์ผู้อยู่สูงกว่าในที่สุดเจตจะมีอนุภาพมากขึ้นเรื่อยเื